พระธรรมเทศนาแผ่นที่110รลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่30กรกฎาคม2560มีชื่อเรื่องว่าพุทธบริษัท4เป็นได้ทั้งเชิดชูและทำลายคณะทัทธายญาติโยมโลูกหลานวันตัววันนี้รู้สึกว่า สลาหลวงพ่อเนี่ยแคบไปเสแล้วที่แรกสลาหลวงพ่อได้ใหญ่นะแ ต, แต่เห็นพี่น้องลูกหลานมาวันนี้สลาแคบโอ้มีหลายอำเภอเนี่ยวะที่มากูบาจารย์ลูกหลานน้องนองทั้งหลายก็เต็มไปหมดเนี่ยศรัทธาญาติโยมก็มาก แต่ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้เจอกันนาะเออปีที่แล้วเนี่ยเ้วว่ะพราหลวงพ่อมีธุระแต่เมื่อวานก็มีธุระเหมือนกันอหินมักเป้งมาหลวงพ่อก็ไปอุรณนเมื่อวานเนี่ยก็เลยไม่ได้พบกันออแต่ปีนี้เนี่ยตั้งอกตั้งใจนะจะไม่รับที่อื่นเหมือนนแต่พอได้ยินข่าวเลยต้องปีที่แล้วมันพลาดไปแล้วเนี่ยวะออแต่ปีนีออ้ทางไหนมาาก็พยายามปัด ปัดไว้ก่อนฮะถือว่าพี่น้องลูกหลานคณะสัตายาญาติโยมน้องลุทงทั้งหลายเข้ามาจูวัดนานทีปีหนอย่างวันนี้แหละจะหาอย่างวันนี้เนี่ยจะหาไม่ได้หาไปได้ตามปกตินะายานพระครูเหลือเนาะมันต้องมันต้องมีวันเดียวเท่านี้แหะปีหนึ่งนะาคนนั้นจึงได้พบได้เจอกันแล้วก็มาจากอําเภอบ้านผือ ท่าบอ่อโพตากน้ำโสมน้องคายนายุงอีกบางส่วนนะแล้วก็พระเนนอีกประมาณหนึ่งรี่สิชัทไทยาโยมอีกก็มากวันนี้นะตามปกติหลวงพ่อเอานักเรียนมานั่งนะเอานักเรียนลายชินนมานั่ง ประมาณ600นอยะยังไม่ถึงครึ่งนะไม่ถึงครึ่งเั น, 600น่ะหกรอยนะเอาต่อนน้ไปหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังคณะศรัทธาญาติโยมพระเนน้องนูงทั้งหลายวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ส0สิบ กรกดาคมพุทธศักราช 2,560 นะ่วันนี้มีคณะมาคารวะตามประเพณีในเทศกาลเข้าพรรษาคืออำเภอบ้านผือท่าบ่อโกตากน้ำโสมและก็จังหวัดน้องคายนายูงนะมีพระกูบาอาจารย์น้องนงทางหลาย พระเดนก็หลายเป็นร้อยๆนะวันนี้นั่งแถวยาวเหยียบเหยียบเต็มอาจสงแล้วก็คณะสัทธา ญ, ญาติวงก็คงจะเป็นไม่รู้เท่าไหร่เต็มศาลาใหญ่ของหลวงพ่อถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลวันหนึ่งเมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อก็มีกิจธุระนิมนต์รับนิมนต์ทางอื่น มา ก, ก่อนแล้วก็ได้ทางคณะกระได้แจ้งข่าวว่าจะมาคารวะ ต, ตามประเพณีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปี2545 59นะไม่ได้พบกันปีที่แล้วนะปีนี้หลวงพ่อก็พยายามที่จะไม่รับนิมนต์เมื่อได้ทราบข่าวว่าพี่น้องพระเนน้องลุงทั้งหลายจะได้เข้ามาที่วัดของหลวงพ่อนะหรือว่า หาโอกาสอย่างนี้หาไม่ได้นะปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวที่พวกเราจะได้พบได้เจอกันอย่างวันนี้่ะ อ, อบอุ่นนะและก็พร้อมกันที่มาพบมาเจอกันแล้วนะหลวงพ่อก็ไม่มีอะไรที่จะให้กับคณะตรไทยญาจจติโยมมิจะให้แนวความคิดในหลักพระพุทธศาสนาเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ย ว่าหลวงพ่อก็แล้วกันนะหลวงพ่ออายุ 70, เจ็ดสิบ เ, เข้าเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสองปีเจ็ดสิบสามเข้ามาแล้วลูกหลานาแล้วก็นี่แหละชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อก็ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนา เ, าเป็นเวลายาวนาน เ, าเป็นทั้งหกสิบเอ็ดปีนะลูกหลานนะถ้าจะว่าไปนี่หกสิบเอดปีครึ่งกำลังติดอยู่เดียวนี่แหละ แล้วก็หลวงพ่อมีอะไรที่ได้ผ่านมามีประสบการณ์อะไรได้ปฏิบัติมาอย่างไรได้ศึกษามาอย่างไรได้อ่านได้ศึกษาแนวพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอย่างไรหลวงพ่อก็จะได้ได้นำแนวประสบการณ์หรือว่าแนวความคิดที่หลวงพ่อได้มั่นใจว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับ พธบริษัทแล้ว ก, กับพวกเราพุทธศาสนิกชนหรือกับพระสงฆ์น้องนงทั้ ง, ทงหลายอย่างที่วันนี้ละ่ะหลวงพ่อก็จะเด่บอกกล่าวต่อันดับแรกนะพวกเราก็นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งอยู่แล้วตลอดในด้านจิตใจแต่พาส่วนแยกส่วนอื่นนะ ในส่วนย่อยออกไปอันนี้ก็คือแนวประพฤติปฏิบัติของพวกเราแต่หลวงพ่อจะเน้นทางฝ่ายพระสงฆ์น้องนงซะก่อนพอและจากนั้นจะจึงจะพูดถึ่งฝ่ายครวัตญาตจมนะตั้งฝ่ายพระสงฆ์น้องนงทั้งหลายในทุกวันนี้อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่ในสื่อต่างจะเป็นโซเชียลจะเป็นเฟซบุ๊ o ยูทูบหรือสื่อต่างของประเทศ ก็ออกมาในคล้ายๆกับว่าต่างคนก็ต่างโยนความผิดให้ออกจากตัวเองให้คนอื่นเป็นคนคนไม่ดีลักษณะอย่างนั้นนะแต่ขา้าพเจาระสงค์ของเราที่อยู่ในพระสงฆ์แต่บางองค์บางกลุ่มบางหมู่บางคณะเราก็ไม่ใช่ทั่วไปก็ทำให้ทาให้เขาตาหนิติชินนินทาได้ อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนี่หลวงพ่อได้ยินนะหลวงพ่อเป็นพระป่าพระรงอยู่ในป่าดงแต่ก็ได้ยินศรัทธาญาติโยมมาบอกมากล่าวมาเล่าให้ฟังแต่ถั้งยังไงก็เมื่อได้ยินแล้วก็ไม่สบายใจสรุปลงแล้วนะไม่สบายใจเพราะยอะไรเพราะเราเป็นพระเนนพระสงฆ์อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เ, เพราะฉะนั้นขอหลวงพ่อเองอยากจะย้ํากล่าวบอกเตือนให้กับพวกพระลูกพระหลานทุกองค์ ให้อยู่ในกรอบของอยู่ให้อยู่ในจริยธรรมคุณธรรมศีลธ ร, รจริยธรรมอยู่ในหลักพระธรรมวินัยของพระพทุทธเจ้าถ้าว่าพวกเราอยู่ในหลักพระธรรมวินัยแล้วนะใครจะว่ายังไงมันก็ไม่ถูกหรอกนะแต่ถ้าว่าเราออกนอกลู่นอกทางเขาตําหนิออกมาเนี่ยจริงบ้างไม่จริงบ้างบางทีก็จริงอย่างที่เขาพูดบางทีมันก็น่าคิดเหมือนกัน แต่จะทิ้อยางไงก็ตามเราเป็นศากยาบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าการที่จะทำอะไรการที่จะพูดจ ะ, จะทำออกไปเราต้องคิดให้ทีท่วนซะก่อนว่าจะมีมันจะเสียหายไหมที่พวกเราเที่กระทำหรือการพูดออกไปนี้เนีเพราะนั้นขอให้พวก เ, เราพระน้องหนุ่งทั้งหลายลูกหลานทั้งหลาย ให้ซ้อมรวมระวังในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าการที่จะออกไปในสื่อต่างๆก็ททำให้เสียหายแต่ตามไม่จริงบางทีก็ไม่น่าจะถูกไม่น่าไม่น่าจะถูกต้องนะแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทเนี่ยเราต้องเพ่งมองดูว่าถ้าหากว่าในกลุ่มใดก็ตามพระสงฆ์ตั้งหลายแสนองค์ในประเทศไทย จะให้ดีทุกองค์จะให้ถูกต้องทุกองค์ก็คงเป็นไปไม่ได้เป็นคราวาสญาติโยมก็เหมือนกันไม่ว่ากลุ่มไหนจะเป็นพิพากษาก็เถอะเป็นผู้ถือกฎหมายก็เถอะอายการก็เถอะตำรวจก็เถอะเป็นผู้ถือกฎหมายบางทีตำรวจทหารข้าราชการหรือท่านผู้ถือกฎหมายก็ยังทำผิดได้เพราะเหตุไรเพราะยังมีกิเลสอยู่นี้ก็เหมือนกัน คนทุกหมูทวกเรามันก็ต้องมีแหละจะใหไ้ไม่ให้มีเฉลยก็ไม่ได้แต่ถึงยังไงก็ตามเราเป็นพระในพระพุทธศาสนาเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็ขอฝากไว้กับพระลูกพระหลานทุกองนะให้สํารวมระวังสิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยก็ให้อย่าได้อยากได้คิดอย่าได้ทําและก็อย่าได้พูดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนั้น ขอให้สัมรวมระวังกายวาจาใจของพวกเรานั่นแหละดีที่สุดนะแล้วก็พร้อมกันก็ให้พวกเราตัอ้งอกตั้งใจภาวนาปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่นคือไกลจนเกินไปนะกันคือหลักธรรมคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่แหละเพราะพวกเราถือว่าพวกเราเดินตามแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นนะ เป็นสายหลวงขู่มั่นหลวงปู่เสานะถึงจะพวกเราจะเป็นสายครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเนี่ยเดี๋มาจากหลวงปู่ล่าหลวงตาก็จะก็ก็ตามนะแต่ละพวกเราก็ต้องมีครูบาอาจารย์สายหลวงปู่เทศหลวงปู่เลี้ยนหลวงปู่บัวภาหลวงปู่ล่าหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่อะไรตรงนี้อะไรที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราไม่สามารถที่จะ บัลลัยได้ให้ทั่วถึงนะแต่ถึงยังไงก็ตามก็ต้นตระกูลของเราก็คือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นแล้วปูปเป่เสาปู่มั่นนะั้นเราก็ได้ศึกษาแนวปฏิปทาของท่านแต่ละแต่ละครูบายอาจารย์ก็แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวของพวกเราพวกเราในฐานะลูกลูกห ล, ลานอย่างเป็นสายหลวงปู่เทศหลวงปู่ท่านสอนยังไงในรุ่นพ่อของเรา แต่ต่อมาก็สอนพวกเราก็สอนมาถึงรุ่นลูกรุ่นลูกรุนหลานนะแต่ถึงยังไงก็ตามท่านก็ยึดแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นเพราะนั้นขอให้พวกเราผ้าเนรทั้งหลายมาบวชอยู่ในชุดนี้กลุ่มนี้นะให้ยึดแนวแถวปฏิปทาของวงหลวงปูง่มั่นวิธีการเดินท่านทำยังไงวิธีการนั่งท่านทำยังไงวิธีการปฏิบัติเรื่อง ศินสมาธิปัญญาท่านทําอย่างไรเนะี่ยสินก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเนะี่คือศินส2งร้ี่สิสิบของสัมมาเ น, นให้อยู่ในศีรษะจารวัดเรื่องสินเรื่องสมาธินะหลวงปู่ครูบาอาจารย์ของเราท่านสอนให้ภาวนาพุทโธนะัเป็นหลักนะั่ลูกหลานนะั่อันนี้คือกรรมฐานพุทโธนะเป็นกรรมฐานหลวงปู่มั่นถ้ า, าว่ายุบหนอพองหนอสัมมาอรหังนะเป็นสายอื่นนะ แต่ถ้าว่าพวกเราเป็นเท่าเป็นพระนวั ก, กะก็ดีหรือเป็นศรัทธา ญ, ญาติโยม้ามาสู่วัดสายครูบาอาจารย์น้องนุ่งทั้งหลายก็ดีก็ใ ห, ให้ให้เดินตามแนวแถวสายหลวงปู่มันไว้ก่อนเพราะสายอื่นเอาไว้ก่อนนะถา้าว่าพวกเราเดินผิดที่ผิดทางสเปะสะปะนะก็ไม่น่าจะดีเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเราเข้ามาจุดสายนี้ เราก็ควรจะศึกษาในสายนี้ว่าครูบาอาจารย์ท่านให้ภาวนาอย่างไรกาหนดยังไงให้ภาวนากรรมฐานอันดับแรกที่จะทำจิตใจให้สงบนั่นน่ะท่านให้ภาวนายอย่างไรก็คือกาหนดลมหายใจเข้าบริกรรมคดหายใจออกบริกรรมโทรอันนี้คือกรรมฐานหลวงปู่ครูบาอาจารย์ในเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วเป็นพื้นฐาน แน่นหนาพอสมควรแล้วก็นำจิตที่ผ่านความสงบนั้นมาพิจารณาทางวิปัสสนาเดินวิปัสสนาพิจารณาแยกแยะร่างกายสังขารของเรามีอะไรบ้างจนรู้แจ้งเห็นจริงว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นอันนี้อางทุกขังอนัตตาผลที่สุดก็ถึงจุดจบของมันของร่างกายจากนั้นใจของเราก็รู้จากนั้นก็ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจ อันนี้ก็คือกรรมฐานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราแล้วถ้าว่าพวกเราเมาเข้ามาศึกษามาอยู่ในบวชในสายนี้แล้วนะสายองคหลวงปู่สายพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นแต่เรานำสายอื่นมาปฏิบัติเหมือนกับพวกเราเไปเรียนวิชาทหารหรือวิชากฎหมายไปเรียนในวิทยาทางกฎหมายแต่เราเอาไป เอาไปเรียนเรื่องวิชาเกษตรอย่างนี้นะเอามันคนคนเราเรื่องกันนะเพราะฉนั้นในเมื่อเราเข้ามาในจุดนี้เราก็ต้องเรียนศึกษาในจุดนี้ให้เข้าใจจากนั้นก็นํามาประพฤติปฏิบัตินเมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วท่านก็ไม่ได้ผูกขาดว่าต้องปฏิบัติสายนี้เท่านั้นไม่ใช่นะลูกหลานนะเพราะกรรมฐานของพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ทั้ง40อย่างกรรมฐานของพุทธะใน40สอย่าง พวกเราจะยึดกรรมฐานไหนก็ได้ใน40อย่างนั้นสรุปแล้วก็คือจะทำยังไงจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าว่าพวกเราเจะยึดกรรมฐานเดียวโดยที่ไม่มองใครว่าเอานี่เราก็ติดใน อ, อ, อยู่ในจุดนั้นมากจนเกินไปในเมื่อเราถ้ามันดีแล้วก็ไม่ว่ากันพอมันดีแล้วจมูก็ขาไม่จําเปลี่ยนจะต้องเปลี่ยนแต่ถ้าว่าเราเก้ะก๊กลางๆยังไม่ไปไหน เออเราจะเปลี่ยนกรรมฐานดูดีไหมแต่จะเป็นผู้จับจดน ะ, ะเปลี่ยนกรรมฐานบ่อยไม่ได้นะเราจะเป็นผู้จับจดเราก็เราต้องเปลี่ยนถ้าเขาว่ามันไม่เป็นหลักนะก็เอายึดมากรรมฐานพุทธโธดูซิเนี่ยอย่างนี้แหละถ้าวันยึดพุทธโธเออเข้ากับจริตของเราไดนะ้เราก็เดินตามนะนี่แหละอันนี้ก็คือวิธีการพวกเราจะประพฤติปฏิบัตินะพระเนน้องนุ่งทั้งหลายนะ เขามาศึกษาใหม่แต่ถึงยังไงก็ตามเมื่อเราเข้ามาอยู่ศึกษาเข้ามาบวชใหม่เราก็มาอยู่กับครูบาอาจารย์ เ, เข้ามาบวชมาคราวนี้บวชมาเพื่ออะไรบวชมาเพื่อทดแทนประคุณของพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้ว เ, เพื่อนท่านจะให้บวชเราก็ให้บวชแล้วก็รักษาศีลบริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง เ, เมื่อเขาบวชเข้ามาแล้วมีแต่ได้แต่อยู่ในฟอร์มศีรษะล้นกับผ้าเหลืองนะแต่เมื่อการการะทําขาตนเองไปหาต้มมามมงมา ม, งมากกินเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วอันนั้นไม่ถูกอย่างอย่างมากนะลูกหลานนะยาทำเด็ดขาดนะพวกเราเข้ามาบวชเพียงสมเดือนแล้วก็ปฏิบัติตนไม่ได้ทําให้เสียหายเพราะพุทธศาสนาไม่ใช่เข้ามาส่งเสริมนะเข้ามาทําร้ายทํำลายพุทพพธศาสนาถ้าเป็นหลัก ลักษณะอย่างนั้นนะพวกเราอย่าได้มีพวกที่พระบวชใหม่นะให้เป็นผู้สำรวมระวังกายวาจาของเราให้เรียบร้อยนะอย่าให้มีโทษนะชวนพระเก่าก็เหมือนกันที่เป็นรุ่นพี่นะที่เราอยู่ในพุทธศาสนาที่เราอยู่ก่อนแล้วก็เป็นตัวอย่างให้น้องๆเขานะอย่าให้เขาดูถูกเราได้ถตาเมื่อเราเมื่อเราอยู่ข้างในเราเป็นพระเก่านะ แล้วก็ผ้าน้อยผ้าหนุ่มผ้าใหม่เข้ามาบวชสมเดือนเข้ามาแล้วก็มาเห็นผ้าเก่าทําไม่ดีเลยทําไม่ถูกต้องเลยทําไม่ถูกตามหลักพระธรรมวินยัยคาราวาะเขาไม่ทําตัวเองก็ทำํำอย่างนี้นะ่ยอันนี้เมื่อเขาศึกออกไปเขาจะเอาเรื่องผ้าเก่าออกไปพูดก็เสียหายอีกเนะีเพราะฉนั้นพวกเราต้องคิดให้ดีนะอันนี้ผ้าเก่าพระเก่าผ้าใหม่นะเพราะนั้นขอหลวงพ่อเองเคย อยู่ในวัดวาสัสนามานานอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะหลวงพ่อเห็นทุกระดับหลวงพ่อจึงบอกกล่าวเออพระเก่าอย่าลืมตัวนะเน อ, อในเมื่อพระใหม่เข้ามาก็แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวน้องๆให้เขารู้จกักศีลธรรมจริยธรรมให้รู้จักคุณธรรมรู้จักหลักพระธรรมวินยัยจากนั้นเมื่อเขาได้ความรู้ความฉลาดจากเราไปแล้วในเมื่อเขาเป็นคราวาสก็เป็นคราวาสที่ดี ว่าไง เ, เพราะเขาได้ดักหลักเนําหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัตินะ่ะจากนั้นเขาจะได้มาเออสมัยเมื่อเราบวชครูบาของเราเนี่เออเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจเป็นผู้มีศีลายจารรวัดหนะ้าเขาลบนับถือเรื่มใสออ่ที่เราเข้าไปบวชนั้น เ, ออเขาก็เมื่อศึกออกไปแล้วก็เขาก็ให้การสนับสนุนดูแลพระออรุ่นพี่ลูกพี่ของเา้าเนี่ย นี่แหละมันเกือกูลหนุนกันนะพระลูกพระหลานทั้งหลายนะเราต้องมองไกลๆนะ อ, อไม่ใช่ว่าเขาเข้ามาบวชพาเขาทําสิ่งที่มันเร็วๆสิ่งที่มันชัว่วแล้วก็พาเขาทําะในเมื่อเขาทําแล้วเขาออกไปแล้วเขาก็ไม่เคารพนับถือเรื่องสายเขาดูถูกอีกต่างหากได้ทีนี้นี่แหละหลักจุดนี้ก็ให้พระนุกโกพระหลานํารวมระวังนะแล้วก็ให้ภาวนาปฏิบัติอยู่ในกรอบในศีลในธรรมนะนะั่นแหะ อยู่ในหลักพระธรรมวินัยนอันนี้ก็คือเรื่องของพระแต่สำหรับศรัทธาญาติโยมที่เป็นช้างเท้าหลังนะคือพระภิกษุเนี่ยเหมือนช้างเท้าหน้านะช้างเท้าหน้าเป็นผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วเป็นผู้มีสีรายจรวัตที่ดีเหมือนช้างเท้าหน้าศรัทธาญาติโยมเหมือนช้างเท้าหลังนะช้างเท้าหลังก็เป็นผู้สนับสนุนเมื่อพระสงฆ์อยู่ใน พระพุทธศาสนาศรัทธาญาติโยมเอ้าถวายจิตุปัจจัยสให้แก่รพระสงฆ์ ส, สมัมมาเณนนี่แหละช้างเท้าหน้าและช้างเท้าหลังน่ะถ้าไปด้วยกันแปลว่าช้างตัว น, นั้นสมบูรณ์นะแต่ถ้าว่าช้างเท้าหน้าขาดีอยู่แต่ช้างเท้าหลังน่ะไม่ให้การสนับสนุนเหมือนกับช้างขาลากดังนั้นน่ะขาหน้ากระตุยตะกายตะกุยตะกายเนีมันจะไปถึงไหนมันไปไม่ได้ ถ้าหากว่าช้างเท้าหลังมันขาดีแต่ขาหน้ามันเป๋ขาหน้ามันหักนะขาหน้ามันขาดอย่างนี้เออมีแต่ขาหลังนี่จะกระโดดไปเรื่อยเพราะขาหน้ามันขาดมันก็ไปไม่ถึงไหนอีกเหมือนกันนี่แหละพุทธบริษัทสี่นก็คือภิกษุสัมมเณนคือช้างเท้าหน้าอุบาสกอุบาสิกาคือช้างเท้าหลังต้องไปด้วยกันนะสนับสนุนกันนี่แหละพระพระองค์จึงตรัสว่ากล่าวว่า ดูก่อนสมทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายผู้ที่จะทําให้ศาสนาของเราเสื่อมหรือศาสนาของเราเจริญมิใช่ผู้อื่นไกลคือพุทธบริษัทสี่ของเรานี่แหละพุทธบริษัทสี่นี่แหละเป็นผู้ทําให้ศาสนาเสื่อมหรือทําให้ศาสนาเจริญนี่แหละสรุปแล้วก็คือให้พวกเราท่านทั้งหลายมองตนเองจาหรับคารวาสญาติโยมทําตนอย่างไรนี่แหละโหมดพ่อก็จะจัน เน้นมาทางศรัทธาญาติโยมด้วยทีน่นี่เราเป็นพุทธบริษัททำตนอย่างไร เ, เรายึดอะไรเป็นสระเป็นที่พึ่งยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งถ้ายึดอย่างนี้แหละเอาทุกวันก่อนหลับก่อนนอนเราควรจะไหว้พระสก่อนนะกราบพระสก่อนก่อนนอนอันนี้ก็คือเป็นผู้มี เป็นสรณะเป็นที่พึ่งก่อนหลับนอนก็ต้องไหว้พระอรหังสวากาโตสุปฏิปัโนโนะโมตัสสะพระคขาวาโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธทเจ้าพระองค์นั้นคืออันนี้คือนะโมนะความแปลนะจากนั้นก็พุทธทางธรรมังสังขังสระหังคัจฉามิจะสวดอิติปิสโสด้วยกว็ได้เมื่อสวดเสร็จแล้วนะเราก็แผ่เมตตาอีกนะแผ่เมตตาคํานี้นะอรหังสุกิโตโหมิเราแปลไม่ได้นะ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 เป็นภาษาใจถ้าทําได้อย่างนี้ดีนะกรัชธายาโจโฉมจากนั้นก็ให้ภาวนาเถนั่งภาวนาอายุของข้าพเจ้าเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ 50, 60, ห้าสิบหกปีให้ภาวนาให้ครบอายุของตัวเองก็ดีนะนับข้อมือพุทโธคําหนึ่งธรรมโมคําหนึ่งสังโฆ ค, ครั้งหนึ่งแนะปลว่าสาเลยนับข้อมือสมข้อนะพุทโธอีกนับอีก ทำโมอีกนับอีกสังคอยเป็นหกนะนับไปจนถึงร้อยถ้าเรามีอายุหกสปีให้ภาวนาวคืนหนึ่งให้ใหได้สักหกสิบคำนะพุโทโธพุโทโธพุโทพโธได้หกสิบคำนี่แหละได้เพียงแค่นี้ก่อนับวัน ด, ดีเลิศแล้วนะถ้าได้มากกว่านั้นก็นั่งอยู่ให้นานเลยจะนี่กาหนดพุดโทโธพุโทโธทําจิตใจให้สงบได้อ น, นั้นยิ่งดีใหญ่เลยนี่แหละ อันนี้ก็เป็นพุทธศาสนานนกชนในระดับหนึ่งพอตื่นเช้าขึ้นมาก่อนที่จะไปทำการทำงานแล้วก็ไหว้พระอย่างที่ว่าจากนั้นก็แผ่เมตตาอีกนะถ้าคนแผ่เมตตานะเราอยู่ที่ใดมีแต่ความสุขความเจริญนคะณนักสทธายาิโยมโลูกหลานหลวงพ่อเองอยู่ในป่าโรงพงไัยบวชมาเป็นสำมเนนะเป็นเนรน้อยอยู่ในถ้ำนะปูเจ้าพ่อนะหลวงปูราเถอะเอ้เนรไม่ต้องกลัวผีนะ ไม่ต้องกลัวผีเราเขาเราแผชิมตตานะครูบาอ า, าจารย์ครูบาอาจารย์ที่ไปอยู่ป่าช้าก็ดีอยู่ในถ้ำอยู่ในที่ต่างๆก็ดีท่านผีเมตตาในใจของท่านท่านหว่าข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขภู้มะลุขะเทวดาทั้งหลายผีทั้งหลายเขาจะให้ความเกรงใจนะเพราะเรามีเมตตาเพราะนั้นขอให้ไปอยู่นสถานที่ใดให้มีเมตตาเนะ ถ้าคนที่มีเมตตาหลับและตื่นเป็นสุขจะไม่มีพิษมีภัยจะไม่มีเวรมีกรรมกับผู้ใดถึงเขาจะจองเวรจองกรรมใหม่มันจะไม่ติดเว้นเสียแต่เวรกรรมเก่าของเราเรากลัวห น, นีไม่พ้นเพราะเราไปทําให้กับเขามาก่อนแล้วอ น, นี้ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวอันนี้แหละคณะสัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนเด้อที่เป็นคารวะควรจะไหว้พระสวดมวนต์ก่อนหลับก่อนนอน แล้วก็นั่งภาวนาบ้างะแต่ถ้านำถ้าทำได้ก็ยิ่งดีนะแล้วก็พร้อมกันก็ให้เป็นผู้ยินดีในการดูแลำบำรุงพระพุทธศาสนาดูแลพระสงฆนะ์เนี่แหละดูแลพระสงฆ์กูบาาจารย์ของพวกเราถ้าคนมีอ น, นี้มีคนทำบุญทำทานนะอันนี้สงทานนั่นแหละจะทำให้พวกเราไปเกิดในภพภูมิใดๆพวกเราจะมีแต่ความสุข ความเจริญนะถ้าว่าพวกเราเไม่มีอนนี้สงทานนะถ้าเกิดมาแล้วก็จะมีแต่ความทุกข์ยากลําบากนะอันนี้สงทานไม่มีนะอนนี้สงศินก็เหมือนกันอันนี้สงสินคุ้มครองนะพวกเราจะได้รับความจงอบร่มเย็นเป็นสุขอันนี้สงสินคุ้มครองนะสินคุ้มครองแล้วนะอย่างพวกเราคือคราวาสก็คือศินห้านะสินห้านเนี่แหละเป็นศินคุ้มครองโลก ทำให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นนะสุขนะสินห้าข้อที่หนึ่งอย่าคิดฆ่ากันข้อที่สองอย่าคิดขโมยกันข้อที่สามให้เคารพสิทธิสามีภรรยาซึ่งกันและกันข้อที่สี่อย่ากโกหกกันข้อที่ห้าอย่าดื่มสุราให้ขาดสตินะนี่แหละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะให้เป็นผู้มีศีล น, นะ ศีลห้าเนี่ยเป็นศีลครวาสญาติโยมอย่าคิดฆ่ากันอย่าคิดขโมยกันอย่าคิดลาบาลวงในสามีภรรยาเสื่อมกั น, กนอยาอ่าโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงกันอย่าไปดื่มสุราให้ขาดสติในเมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยใครก็ได้ จ, ดจะลาบระลวงในสามีภรรยาของใครก็ได้จะโกหกใครก็ได้เพราะคนขาดสติน นี่แหะเรื่องขาดจติตเป็นสิ่งที่เสียหายเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติว่าศินห้าเป็นศินคุ้มครองโลกทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันเนีเพราะฉะนั้นขอให้ฝากไว้ข อ, ขอฝากไว้กับคณะจทหายาโสมลูกหลานทุกคนนะนี่แหละเรื่องศินสมาธิอย่างที่หลวงพ่อที่พูดบอกแนะนําพระนะให้ภาวนาพุโทโธนี่ยนะก่นะนะนะอนหลับก่อนนอนให้ภาวนาพุโทโธอย่างพวกเราเนะี่ยได้พุโทโธทุก ให้เท่าเข้าเท่ากับอายุของของเราก็ดีแต่ละวันนะตอนเช้ามากลุกมาอว่าตอนเย็นพุทธโธพุทธโธได้60อายุของเรา60สิบเราก็ภาวนา60สิบคำนะเจ็ดคำได้เพียงแค่นี้ก็น่แหละจัดว่าเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วน ะ, ะถ้าหาว่าพวกเราไม่ได้กล่าวถึงเลยเราเป็นพุทธบริษัทแต่ทะเบียนบ้านเท่านั้นความหมาย ที่จะทำให้เราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทไม่มีนี่มีแต่พุท ธ, ธทเบียนบ้านเพราะฉะนั้นอยาให้เป็นพุทธในการประพฤติธปฏิบัติ ด, ด้วยนะอย่างศาสนาอื่นอย่างพวกเราได้รับสื่อต่างๆเห็นไหมอย่างอิสลามเามานี่ยเขาละหมาดวันทั้ง4ี่หครั้งนะของเรากลับพระก็ยังไม่ได้แสดงว่าเราอ่อนเกินไปสียแล้ว เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังเป็นแนวความคิดสาหรับพวกเราท่านทั้งหลายเราทําความดีเพื่ออะไรเพราะว่าในหลักของพุทธศาสนาท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนระกสวรรค์มีกรรมดีกรรมชั่วมีหนะลวงพ่อเอาอะไรมายืนยันเพราะหลักของพุทธศาสนาในพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันเดือนหกเพลนท่านภาวนา จากนั้นพระไทยใจของพระองค์สงบพระองค์ระลึกชาติทวนหลังได้ เ, เกิดญานรัตนะเนี่ยปุกเพนิวาสานสุจติยานระลึกชาติทวนหลังได้เนี่แหละหลักของพุทธศาสานาตายแล้วไม่นะสูญนะศรัทธาญาติโยมนะหลวงพ่อเองเกือบทันเกือบทุกองค์คูบายจานันหลวงปู่เทศหลวงปู่เขาหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ต่างๆ่างนะท่านท่านเกือบทุกองค์แต่ทุกองค์ก็ยืนยันยืนยัดว่าตายแล้วไม่สูญ ตายแล้วเกิดอีกอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญไม่ต้องคาดคะเนไม่ต้องเดาไม่ต้องประมาณการให้ภาวนาเท่านั้นจึงจะรู้ได้ในเมื่อเราภาวนาพุทโธพุทโธเข้าไปแล้วใจของเราเข้าสู่ความสงบเมื่อใจของเราเข้าสู่ความสงบนิ่งพอจิตใจเข้าสู่ความสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิเท่านั้นแหละที่จิตที่ถึงอัปปนาสมาธิ เราจะรู้ชัดด้วยตนเองว่าร่างกายกับใจใจกับกายเนี่ยเป็นคนละอันกันชัดเจนเลยเออเหมือนกับโซเฟอร์กับรถอย่างนั้นละหลวงพ่อเปรียบเทียบเลยโซเฟอร์กับรถนะรถกับโซเฟอร์นะร่างกายเหมือนกับรถนะจิตใจเหมือนกับโซเฟอร์นะแต่มันอาศัยกันอยู่รูปประธรรมกับนามธรรมรูปประธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจนะแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาให้ความสําคัญเรื่อง ของนามธรรมเนี่ยมากกว่าเรื่องรู ป, ปธรรมท่านจึงว่ามั่นโนปุพังเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จและรั่วใจสรุปแล้วก็คือว่าในรถคันนี้โซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วโดวยโซเฟอร์ถ้าโซเฟอร์ขึ้นขับรถคันนี้แล้วจะเอาลงข้างถนนหรือเอาไปชนต้นไม้หรือจะไปตกเขียวถีบลงได้ทั้งนั้นโซเฟอร์นะท่านทุกโซเฟอร์ไม่กลัวตายนะ นี่แหละลดคันนี้เนื้อร่างกายของเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านน ะ, ะให้ภาวนาให้ดูว่าเมื่อตายไปแล้วนะกายของเราร่างกายของเราเนี่ยแตกตายสลายสู่ดินน้ำลมอยแน่ไม่เป็นอย่างอื่นแต่ตัวน้ำนธรรมคือจิตใจนั้นไปหาเกิ ด, ดนะท่าีไปปฏิสนธิไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆถ้าเราทำกรรมดเีเราก็จะไปสู่ทางดีไปสู่สวรรค์ถ้าเราทากรรมชั่ว เราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วนะกรรมชั่วจะให้ผลก็พาดวงวิญญาณทั้นั้นนะกรรมชั่วทั้นั้นนะจะเป็นบล็อกล็อกแขนตัวเองลงโยนไปลงไปสู่นรกไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไร้ฉานไปได้ทั้งนั้นตกต่ำนะนะว่าไปตกต่ํากรรมชั่วนะพาเราไปตกต่ํากรรมดีพาเราไปสู่ความสุขความเจริญไปสู่สวรรค์ ถ้าว่าเราบริสุทธิ์หุดพ้นตัดกิเลสได้เขาสู่นิพพานนี่แหละสรุปแล้วก็คือร่างกายของเรามีอยู่สองนะคณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานนะเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลุงปู่มั่นท่านภาวนานท่านยืนหยัดยืนยันเลยว่าตายแล้วไม่สูนะ่เน้อตายแล้วเกิดอีกทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสิ่งที่มันชั่ว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 เข้ามาสู่วัดวาศาสนามาหาหลวงพ่อหนะลวงพ่อไม่มีอะไรที่จะต้อนรับมีแต่ให้ธรรมะแนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายจากนั้นเมื่อเราได้ความคิดนำที่ได้ฟังได้ศึกษาไปแล้วก็นำไปคิดกันกลองไตรตรองดูซินะจริงไหมแต่หลวงพ่อเองพูดออกไปแล้วก็ไม่บังคับให้เชื่อและไม่บังคับให้ปฏิเสธนะ เมื่อฟังไปแล้วก็นำไปพิจไม่คิดไปแกล่งกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลจริงไหมถ้าจริงแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็หาวิธีการต่อยอดไปอีกศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามีมากมายทุกวันนี้ธรรมเทศนาขององค์หลวงตาท่านจะเทศให้ฟังกลางคืนเราเปิดแล้วเปิดฟังที่แล้วก็นั่งภาวนาด้วยน่แหละ แล้วก็ mp 3ของครูบาอาจารย์พอเปิดแล้วก็ฟังไปด้วยศึกษาศึกษาหลายครั้งต่อหลายโหนก็จะเข้าใจใน ห, หลักธรรมคำสอนจากนั้นก็นำมาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจายใจใจของตนเองอันดับแรกกับเพิ่นท่านก็มีแต่เป็นผู้ชี้วิธีการทำวิธีการดำเนินให้เรานะในเมื่อเรานำทำแนวดำเนินของท่านมาประพฤติปฏิบัติแล้วจะเป็นสมบัติของพวกเรานะเป็นสมบัติของตนเองทนี้ ไม่ใช่สมบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นแต่ผู้ชี้หนทางทำอย่างนั้นผิดหน้าทำอย่างนี้ถูกหน้าเท่า น, นั้นเองนะในเมื่อเราเดินไปในทางที่ถูกมีแต่ความเจริญมีแต่ความร่มเย็นผ้าสุกนะถ้าเราเดินไปในทางที่ผิดมีแต่หนทางแห่งความชิบหายนะตกนรกหมกไหมกว่าจะถอยหลังขึ้นมาได้ไม่ใช่ธรรมดานะ เพราะนั้นขอให้พวกเราพยายามศึกษาที่ว่าความคิดใดที่เป็นสัมมาทิฏฐิคิดถูกทําถูกพูดถูกนั่นแหะอันนั้นแหะเป็นหนทางสู่ความสุขความเจริญถ้าคิดผิดทําผิดนันเป็นหนทางนรกเป็นหนทางแห่งความชีพหายอันนี้เขาขอให้พวกเราใช้จิใช้ปัญญาใช้แนวความคิดนะะการกล่าวสัมโมททนิยกถาในวันนี้